เทศอบรมพระวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหร้อยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ปลุกใจดีมากแต่สั้นเทศมัชชิมาปฏิปทาผลิตขึ้นมาให้ทันกับกิเลส ท, ทุกระยะที่ต่อสู้กันเวทนาสำคัญมากแยกแยะให้เข้าใจด้วยปัญญาและ แสดงอาการทุกขเวทนาอย่างละเอียดเน้นหนักในเรื่องกิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกเรื่อยมายกเรื่องอาจารย์มั่นดำเนินเป็นคติบ้างเทศสั้นราว25นาทีกันนี้อัดให้ใครก็ได้กันนี้ไม่มีพูดต่อเทศไม่สุดหน้าเอ กิเลสู้เราไม่ได้ที่เหลอก็ตายมีี่เหลือประเภทนี้ขั้นี้โต๊อตอบหรือกานทานหรือปราบปรามกันแล้วีนี้ธรรมมาเรื่อยเลื่ยไป เ, เฉยมันไม่ได้เรื่องคว่าเหมาะสมนี่กิเลสประเภทใดแสดงขึ้นมานำธรรมะดึกษัตรูธรรมาวุฒ แรกเกะอาวุธคือธรรมนำมาต่อสู้หรือปราดปรามกับสิเลประเภทนั้นให้เหนือกว่ามันอยู่เสมอถ้าเสมอกันก็พอทรงตัวแระกิเลก็จะชนะเราถ้า ห, หนักมือหเมียงมากมากกว่ากิเลสิเลก็อ่อนตัวลงไปพอเห็นผลและเป็นจับคีพยานในการประกอบความเพียรขั้นนี้ ด้วยมัชชิมาประเภทนี้ในการต่อไปก็ยึดหลักมีไว้เป็นเก่งแล้วกล้าตามกันไปได้เลยพิเลก่ อ, อนตัวลงไปมากเพียงไรเรื่องมัชชิมาคือความเหมาะสมเหตุธรรมที่จะนำไประจากพิเลกนี้เป็นไปเองเวลาพิเลกผ่าผลมัชชิมาหรือเครื่องมือนี้ก็ต้องผ่าผล อันก็เอากันถึงเหตุถึงถึงถึงคิดถึงขินถึงเป็นถึงตาไม่มีการท้อถอยแต่เรื่องของสติปัญญาที่เรียกว่าเป็นอาวุธสำคัญที่จะต้องนั่งนั่งท่านนี้จอยวางกันไม่ได้ในขณะทุกเวทนาปวดทุกภายในร่างกายเพราะการนั่งมากเห็ียบนั่นปวดนี้หนักขึ้นทุกทีทุกทีเราจะ ใชแต่เพียงความอดทนต่อทุกขเวทนานี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช้ความอดทนต่อสื่อเพอดทนใช้การพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาคือปัญญาเป็นผู้วิเคราขุดค้นหาความจริงของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความมีสติเพื่อเป็นควบคุมปัญญาขให้อยู่เสมอไม่ลดละซึ่งกันและกัน ว่าเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไห น, นมันจะต้องหมายในส่วนใดส่วนหนึ่งจนได้ว่าเวทนานี้เกิดเช่นที่เข่าบ้างที่เอวบ้างที่ก้นบ้างอิทธิพ่อบ้างที่ใดก็ตามที่เด่นเด่นกว่าเพื่อนนั่นแ่ะเป็นจุดที่เราจะต้อง ด่งสติปัญญาเข้าไปตรงนั้นว่าในจุดนี้ทุกเวทนาเกิดขึ้นจากอะไรกันอะไรเป็นทุกเป็นหนังเป็นทุกหรือเนื้อเป็นทุกหรือเอ็นเป็นทุกหรือกระดูกเป็นทุกในจุดนี้ค้นดูเนื้อกับเทียบเคียงกับเวทนาเป็นรูปลักษณะอันเดียวกันไหม เข้ากันได้มาเนื้อเป็นเป็นรูปเป็นลักษณะมีสีสันวันณนะทุกเวทนาไม่ได้มีรูปมีลักษณะมีสีสันวันลนะะแสดงแต่ความสิดปวดแส บ, บร้อนอยู่โดยละโดยตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นีแยกแยะให้เห็นชัดเจนอย่างนี้การแยกแยะ ก, ก, ก็ต้องมีสติคอยจดจ่อต่อเนื่อง การกับปัญญาที่ผู้เกียขุดค้นในทุกขิณาหรือในเนื้อนะให้เห็นติดต่อสุดเนื่องให้เข้าใจติดต่อสืดเนื่องรู้ติดต่อสุดเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ให้ลดละสติกับปัญญาที่จะต้องไปพร้อมๆกันในการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีเวท น, นาหรือและเนื้อนั้นเป็นต้น มาถ้าแยกไปกระดูกอเมื่อว่าเจ็บกระดูกปวดกระดูกเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์ก็ดูทุกข์ให้รู้อย่างชัดเจนแล้วก็ดูกระดูกกระดูกมีรู ป, ม, รปมีลักษณะมีสัสนวันส่วนทุกข์นี้ไม่มีเช่นเดียวกันเป็นทุกข์อยู่เฉยเหมือนอย่างทุกข์ที่เราสําคัญมากเกิดจากเนื้อหรือเนื้อเป็นทุกข์ หนังเป็นทุกข์ก็ตามเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์มันก็มีจะภาพอันเดียวกันแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้มีรูปแบบต่างกันไปเป็นลาดับเห็นได้จริงจะต้องเป็นเมตนาวเอาสมมุติว่าคนตายแลย้วหนังก็ดีเนื้อคนดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดียังมีอยู่ทุกข์ไม่มีถ้าหากว่า เป็นอันเดียวกันนั้นทุกทำไมจิงไม่มีในขณะ ท, ที่ตายแวนง้นทั้งๆ ท, ที่เนื้อหนังเอ็นกระดูกยังมีเมื่อเป็นเะ่นั้นจะถือว่าเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่ประการประการที่สองเรื่องของจิตเป็นสำคัญแยกเข้ามาดูจิตหรือจิตนี่หรือเป็นทุกข์ถ้าการ่วนแมสื่อไมนเป็นทุกข์หรือจิตนี่หรือเป็นทุกข์ก็ากากกดูจิตกับดูเรื่องไนะ กับดูกายมันมีความแตกต่างกันอนยะ่างไจิตก็มีแต่ความรู้รเท่านั้นทุกเกิดขึ้นหรือทุกดับไปทุกตั้งอยู่ความรู้ก็มีอยู่เช่นนั้นทุกไม่เกิดขึ้นมาไม่ปรากฏเลยทุกประเภทที่กําลังแสดงอยู่ลานี้ยังไม่เกิดมาความรู้ก็มีอยู่เช่นนี้หากว่าจิตเป็นความรู้อ๋อหาว่าจิตเป็นทุกทุกมาเป็นจิตเวลาทุกดับไปแล้วจิตก็ต้องดัไปด้วย จิตไม่ควรจะยัง อ, อยู่แล้นู่อยู่นิทะนิทะเป็นอันเดียวกันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้ไม่ทุกดับไปแล้วจิตก็รู้อยู่ทุกงไม่เกิดขึ้นมาจิตก็รู้จะถือว่าเป็นอันเดียวกันได้แยกหาความสำคัญนั่นหมายของตัวช่านอย่าที่ไปหมายว่าสิต น, นั้นเป็นทุกข์สิ่ง น, นี้เป็นทุกข์แล้วว้าเข้ามา พระคราวซึ่งกันกันจนกลายไปว่าหนังเป็นทุกเนื้อเป็นทุกเอ็นเป็นทุกกระดูกเป็นทุกใจเป็นทุกรวมเนล้ ว, ว่าเราเป็นทุกเมื่อมันถึงขั้นเราเป็นทุกยิ่งเจ็บมากทุกมากมันต้องแยกแยกให้เห็นอยา่างชัดเจนอย่างนึ่นี่เรียกว่ามัชชีมาประเภทหนึ่งที่จะต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่เกิดขึ้นมาหมาักเวลาเรานั่ง น, นั่งหรือเวลาเจ็บไข้โดยปวด ยิ่งวาระสุดท้ายขณะที่จะตายด้วยแล้วทุกขเยทนาจะต้องมาเต็มลุมของเต็มตัวจนขนาดที่ว่าเราแบกขามไว้ไม่ไหวรับไว้ไม่ได้ถึงต้องตายไปขนาดนั้ น, นทุกมากถึงขนาดทนไม่ไหวตายไปการทุกในขณะที่นั่งอาวนาเพียงเท่านี้อันไหนมากกว่ากันหากว่าเราไม่สามารถที่จะ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยการพิจาาุ ก, กในขณะนี้แล้วเราจะมีความสามารถรู้แจ้งหจริงในทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายคือขณะที่ตายนั้นได้อย่างไรถ้าเราเหลวตั้งแต่บัดนี้การตายของเราก็ต้องตายด้วยความเหลวไหลไม่มีสาระอะไรที่อะไรที่เราจะยึดได้เป็นหลักเป็นจิง ถ้าเราได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในกายในอาการของกายสนเนื้หนังเอ็นกระดูกที่มีอยู่ทั่วสารพางร่างกายอย่างชัดเจนด้วยปัญญาและรู้ว่าจิตเป็นจิตอาการแต่ละอาการเป็นแต่ละอาการขึ้นเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างทุกขเวทนาก็รู้ตาม ความเป็นจริงของมันแต่ละอย่างเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาด้วยแล้วเราก็สามารถแยกกันได้ความทุกข์แม้จะไม่ดับไปก็ไม่สามารถจะทําความกระตุกระทุอนจิตใจให้ห่อเหี่ยวเดือดร้อนรุ่นวายไปได้เราอยู่อย่างสบายอยู่อย่างอดหานอยู่อย่างมีเกราะหุ้มหัวใจเราต่างอันก็ต่างกินไปเสีย เมื่อต่างอันต่างจิ่งแล้วไม่กระทบกันกายก็สัตย์แต่ว่ากายเวทนาสัตย์แต่ว่าเวทนาจิตสัตย์แต่ว่าจิตต่างอันต่างกิงนี่ได้เห็นเหตุเห็นผลด้วยสติปัญญานี่มัชฌิมาประเภทที่เราจะต้องนํามาใช้หรือขณะที่กิเลสตัณหาอาสวราคะตัณหาเป็นต้นมันแสดงขึ้นมาด้วยความดุนแรงเราก็ต้องนํา <c oughs> สิ่งที่แก้กันมาอย่างรุนแรงเหมือนกันยก ข้เปียบเกียบหรือว่ายกนิมิตขึ้นมายกอสุภะอสุพันขึ้นมาเอาที่สวยๆงามๆนั่นมาตั้ง ต, ง, ตงตรงตรงหน้านี้แล้วถ้ามันตายตรงหน้าเราถุพองขึ้นมาให้เห็นและแตกเน่าเฟะไปเห็นต่อหน้าต่อตาแรงกาหมากินเต็มไปหมดแล้วมันจะหาความ ไปไปไหนน่ะไปใครน่ะไฟเนฮะไฟใครน่ะฮ ะ, ไ, ไ, นะฮะไปดูดิไฟอะไรโอ้คนมามาไฟอะไรมาอะไรชื่ออะไรลูกแทนทีมาโอ้อละเราไม่ต้องไปมาจากนี้นี่เรื่องมัติมา ากเข้าใจอย่าว่าอย่างต้องหาเครื่องมือให้เหมาะสมกับพิหรหลประเภทต่างๆที่แสดงตัวขึ้นมาแต่เป็นลักษณะผลขนาดไหนชนิดหนักเบาขนาดไหนต้องใช้เครื่องมือให้ทันกันไม่เช่นนั้นไม่ได้นะเรื่องอาถรพอรรพก็เหมือนกันเอาให้ทันเหตุทันผลกัน ให้เห็นพระจักรในจิตใจของเราแต่ละประเภทประเภทของกิเลสแต่ละประเภทประเภทของมัชชิมาซึ่งเป็นความเหมาะสมในการแก้กันในการปราบปรามกันแล้วเราจะได้อยู่เป็นสุขเนี่ยธรรมะคำขังฐานกอบพุตเตจาวที่เรียกว่ามัชชิมามีหลายขั้นหลายผู้จนได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วมัชชิมาปฏิบัติที่จะปฏิบัติต่อกิเลส ป, ป, ประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่มันเป็นส่วนนะเอียดยึ่งกว่านี้ ก็เหมาะสมกันไปได้ด้วยจนกระทั่งหไหลลิ้มดูดทั้งกลางคืนกลางวันเท่าการพิจารณาเพราะกาะเาิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดไปตามกันตามกันทันก็คือเรื่องของสติปัญญาที่จะตามกิเลสถันจะออกมาในแง่ไหนแสดงมาในท่าไหนสามารถที่จะ ตามกันทันแก้กันหลไปได้มันนำมาใช้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีอย่าอยู่เฉยๆอย่าแสดงอย่าให้เป็นความท้อแท้อ่อนแออย่าคิดอนาคตว่าจะเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรถ้าคิดให้คิดว่ากิเลสนี้จะต้องเหยียบย่ำทำลายเราไปทุกภพทุกจากในอนาคต ตั้แต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าเราแก้แล้วถ้าเราปราบมันไม่อยู่เนื้อมันจะเป็นตัวจเจ้าอำนาจวัฒนาบังคับจิตใจของเราให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆตามแต่ยะถากรรมของตัวเองที่ไม่เป็นท่าให้กิเลสเหยียบย่ำทําลายเอาอย่างนั้น <c oughs> นี่าคิดอนาคตให้คิดอย่างนี้ วงปัจจุบันเท่านั้นเป็นสําคัญเราจะพยายามตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตใจของเราให้ดีไม่ลดละท้อถอยธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาแล้วนี้พระองค์ทรงรับรองผลทุกสิปีทุกอย่างแล้วด้วยพระองค์เองทรงบําเพ็ญในเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญจนเห็นเหตุเห็นผลโดยลำํำดับถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเพราะอํานาจแห่งธรรมเหล่านี้ พระองค์ก็เห็นผลมาแล้วเมื่อเดมีการทดสอบด้วยพระองค์เองอย่างประจักษ์แล้วจึงนำมาสั่งสอนพวกเราแล้วทำมาเหล่านี้จะผิดไปที่ตรงไหนกิเลสไม่เหนือทำไปได้ทำประเภทใดกิเลสประเภทใดก็ตามทำเป็นเครื่องครอบกิเลสไม้แล้วทุกประเภทถ้าเรานำมาใช้ให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆจะต้องระงับดับกันได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องนำมาคิดมาดําเนิน มีความอุตสาห์พยายามยาเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่าเพลิดเพลินยิ่งกว่าอัดกว่าทำยิ่งกว่าความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องกดทวงทรมานจิตใจนี่เป็นจุดสำคัญการหลุดพ้นไปจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเท่านั้นเป็นความสุ ข, เ ป, สขเป็นความสุขที่ปรนหวังและเป็นความสุขอนันตา ก, การหมายถึงว่าไม่มีการไม่มีเวลา เป็นความสุข <Lil shipping> ตลอดท่านันตรการเลยพากันตั้งใจพิจารณามีมันประชุมมานานแล้วผมก็เป็นห่วงบุกเบิลมันก็เลื่อนไปจากนั้นแหละมีนั้นมีนี่มาเลยๆมีวันนี้ก็เอะไรทำมาพูดทำถึงจนเลยผมก็ทนเอากับแก่คนนักเกี่ยวข้องก <trading> ับเราแบ่งคนนั้นแบ่คนนี้มันก็หนิดก็หน่อยหลังจากนั้นก็ มาอบรมต่อนี่องเรืพระละมันมากตำหนาต่งตางๆคุมสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่มีปิดบางนี้หลับอุบาวิธีการใดๆที่จะป ร, ะปราดสิ่งที่เป็นค่าสิดต่อทิตใจของผู้ฟังแล้วนำมาสั่งสอนด้วยตนเองที่ได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นผลอย่างไร ถ, ถูกต้องมีงามประการใดบ้างก็นามาพิจารณาพากันตั้งใจแบบเป็นปฏิบัติอยากท้อถอยความภาพเปลี่ยนสติเป็นสำคัญนพยายามตั้งสมมุนิอยากเผลอตัวเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันมักจะเผลอตัวเป็นมาฉันน้ำร้อนหรือเดินไปด้วยกันอะไรหลายอย่างนี้ทำการทำงานด้วยกันมักจะเผลอตัว จนกลายเป็นคึกขนองไปก็มีอย่าให้มีในวงผู้ปฏิบัติซึ่งเห็นภัยในวัตฏะสงสารเห็งภัยในกิเลสการดูการเดินการนั่งการนอนการขบกันฉันให้เห็นภัยในกิเลสอยู่เสมออย่าฉันเมื่อความเพลิดเพลิน อ, อย่าอยู่ยืนเดินนั่งนอนด้วยความเพลิดเพลินด้วยความลื่นตัวไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามาใช่ทางดําเนินของผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ จำไว้ให้ดีอยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าลืมเนื้อลืมตัวมีสติประจำตัวอยู่เสมอตั้งให้ดีสติเราอย่าไปเสียวเวลากับสิงใดซึ่งเราเคยคิดเคยตรุงมาแล้วมากมายกา ก, กอหาประมาณไม่ได้วัตถะในขอสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็มีแต่ความคลิกความตรุงที่มาก่อควร วุ่นวายเราให้รับความเดือดร้อนเพราะความคิดนั้นๆเราเคยเห็นโทษแล้วไม่ใช่หรือเราจะไปเสียดายคิดมันอะไรมากมายลังนาหินคิดถูกเป็นโทษเป็นกรรมเพราะความคิดประเภทใดมาแล้วให้ตั้งความเคิดหละเขา้เขาสำหรับตนพยายามบีบความคิดประเภทนั้นอยู่เสมอและพะยายามปราบปรามสิ่งที่ มันจะเป็นค่าสิบเพราะความคิดนั้นๆตึงขึ้นมาใหม่เรื่อยๆให้เปิดทางตั้งแต่ความคิดทางด้านธรรมะขึ้นธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความคิดทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสมุทยัยนั้นจะได้สยบตัวลงไปลงไปความคิดนี้จะเลยพุ่งตัวออกมาเป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็แก้กิเลออศอสวาได้ความที่มีจิตสงบเป็นลาดับไปนั่นแหละ เป็นผลแห่งการปฏิบัติของเราเราอย่าตำหนิวาสนามากวาสนาน้อยกิเลสมันไม่ได้ทำหนึงถึงอํานาจวาสนาของใครมีมากมีน้อยมันแสดงโทษแสดงพิษภัยให้เห็นด้วยกันทางนั้นนะให้เห็นว่ากิเลสนี้เป็นตัวภัยอย่าไปคิดถึงอํานาจวาสนาอะไรที่ไหนจะมาแก้กิเลสที่เป็นตัวภัยนี้ให้พ้นไปได้นอกจากความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสําคัญเท่านั้น นี่เป็นหลักเรี้ยหนึ่งสาคัญที่จะปราบตามพิเดตอย่ยาไปกำหนงถึงอํานาจาสนามีมากน้อยอะไรแต่ทาให้ข้อถอย อ, อ, อ่อนเอทางด้านจิตใจเลี้ยวก้าวไปไม้รอดนะเราให้เข้มแข็งมาปกติแบบยินตั้งแต่พอแม่ครูอาจารย์งเคยสีดงฟังเวลาท่านถือขึ้นตุ่ยดูเราสรุปทั้งเรืทั้งสูงสารทั้ เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่ะมุ่งต่อต่อทาอย่างแท้จริงทั้งที่ไม่มีผู้ใดเป็นผู้นแนะนำสั่งสอนท่านท่านพยายามบึกบืนไปตามแบบแผนําดับเป็นลาทิ้งวางไว้กลางๆเอาจนทะลุปลูกุ่งไปหน้ากลาวเป็นครูบาอาจารย์ที่อาจารย์ในโลกเราสมัยปัจจุบันก่อนที่ท่านจะปรากฏองค์ของท่านหมักเป็นเกียรติ แจกจัดพระศาสนาหรือเป็นที่เครารพส่วนสายของประชาชนทั่วๆไปทั้งพระเนรและคารก็เพราะท่านเอาจริงองอกจังเอาตายข้อแรกทีเดียว ท, าท่านที่เป็นผู้วิเศษวิโสและหลุดพ้นจากทุกปุประการทั้งปวงหมดแล้วเรื่องสมมุติทั้งปวงไม่มีที่จะไปเกาะท่านติดยาตั้งแต่นี้ต่อไปตลอดอันอว่าอนันตาการหรือทั้งเรียกงว่านี้ผ่านเที่ยว กิเลสมันเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันมีมันเป็นสมมติมันย่อมมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียพาให้คนดีใจเสียใจอยู่อย่างนี้ทํานองนี้โดยเลยไปเมื่อแก้เงินนี่แล้วจิตไม่ต้องบอกว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนีพผานเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีกิเลสเป็นเครื่องแทรกสินตรงนั้นทาให้จิตเป็นรุ่มโดนๆสูงต่ําๆไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้ามอง เดียวว่ายุ่นั่นมีเดียวว่าสงบมีเป็นเรื่องของกิเลสกวนเท่านั้นเพราะกิเลสสงบตัวลงเพราะความเปลี่ยนหลอดใจก็สงบความเพียนหนักเข้าหนักเข้ากิเลสก็สงบตัวลงไปทสงบตัวลงไปหาแก้กิเลสประเภทใดได้แล้วก็กิเลสประเภทนั้นก็หมดไปหมดไปนั่นเหลือ อ, อันใดก็แก้ลงไปแก้หลงไปจกนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนแเละ เราทราบในทัน์เรอ๋อเรื่องหาความสุขไม่ได้นี่เพราะกิเลสมันกีดมันกันมันบิดมันขั้นให้มีตั้งแต่ความทุกข์ได้แบบได้หามอยู่ตลอดเลลวลาอาการรีโก้พบไหนจากไหนมาจนกมาถึงปัจจุบันนี้พอในสิ้นจากความบิดคั้นของกิเลสกิเลสได้เกิดขึ้นไปจากจิตใจแล้วไอ้เรื่องความสม่ำเสมอของจิดหนุ่งอาการยึดกิจอาการยึดการทำหรือธรรมโมปิโป ความสว่างกระจายแก่งของธรรมเป็นความสม่ำเส ม, สมอคงเส้นคงวานั้นไม่ต้องถามมีอยู่กับทุกคนพยายามเอาให้ได้นี้แหละเป็นสมบัติอนันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในโลกที่รักที่สมวนกันโลกกว่าโลกมากอยากได้ก็อยากได้มากอะไรอะไรมีแล้วก็อยากมีเหมือนมีหน้ามีตามีแล้วก็อยากมีความโลภมันเป็นอย่างนั้นมันมักใหญ่ไปสูงก็คือเรื่องของกิเลสความโลภ ก, ก็คือเรื่องของกิเลสความโกรธก็คือ เรื่องของกิเลสความหลงวิเลเรื่องของกิเลสความทุกข์ลำบากลำคาญทั้งกายทั้งใจก็เพราะเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมมีความทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะเอาความสุขทุกข์เป็นต้นถูงจุกก็เป็นาำไยขึ้นมามันจะทุกข์เฉยๆทุกข์อย่างคิดหายผลปี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยเหมือนกิเลสทําลายคนผิดกันอย่างนี้เวลาประกอบความภักเพียรเอาทุกข์ก็ดทุก ผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจมีความกระเสียมํางานสิ้นจนกระทั่งเต็มเม็ดเต็มหน่ยวยเราที่นี้นั่นละหมดละที่มีภาระของเราที่เคยต่อสู้กับพ่เหลีรนมาเป็นเหมือนคงจักรหรือเหมือนธรรมาจากักรหมุนติ่วทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเย้ยแต่ลังนั้นต่อสู้ถึงขนาดนั้นเพราะข้าศึกดับลงไปแล้วเครื่องมือหรือวิธีการที่เราดําเนิน เป็นเหมือนกองจักรนี่ก็ระงับตัวลงไปทันทีเพราะหมดสิ่งที่ต่อสู้สิ่งที่ทําลายสิ่งที่โรบราซึ่งกันและกันแล้วนั่นแหละสงครามทำระหว่างกับกิเลสกับจิดได้ไดยชนะกันลงแล้วเป็นอันมากเอกันจะเชื่มัจจันนังเวสรงรามชุดตะโมการชนะชนะตนเพียงคนเดียวเท่านั้นคือชนะกิเลสในหัวใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นประเสริฐสุดยิ่งกว่า การชนะในสงครามเละยิ่งกว่าการชนะไข่ๆทั้งหมดในโลกนี้กี่ร้อยพันท่อีกเอาอันนี้ให้ได้มาต่อไม่ท่านปัญญาอธิบายก่อนพูดไปพูดไปที่สุดต้องผ่าน